วันพงนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นวันลอยกระทงเป็นวันเดือนสิบสองเพนวันเพนเดือนสิบสองช่วงนี้หลวงพ่อรู้สึกว่าธุระการงานด้วยว่าสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมาลุมมาตุ่มพอสมควรตั้งแต่ไปทอดกะถิน่นอำเภอ พ, พิมายวันที่สิบสองแล้วก็วันที่สิบห้า กลับมาตรวจสุขภาพที่สีนักครินเกี่ยวกับตาตาหลวงพ่อก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอายุหกสิบหกหกสิบเจ็ดเข้ามาแล้วตามันก็เตือนเตือ น, นเหมือนกันนะ่ะใช้มันมานานทาั้งตาทั้งหูนะ่ะมันไปเรื่อยของมันนะ่ะเพราะนั้นอย่าชะล่าใจเพราะนั้นแต่สรุปแล้วแกไปเรื่อยๆไปหาจุดจบคือหลับประหาร ของชีวิตนะพอวันที่สิบห้าหงพ่อตรวจสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทราบข่าวทางโทรศัพท์เขาโทรเขาไปหาโชเฟอร์บอกว่าหลวงตามาหาบัวไม่ฉันอาหารตอนเช้าหลวงพ่ออยู่ที่ศรีนครินก็เลยโอ้คงจะได้ออกจากศรีนครินคงจะเข้าไปกราบองค์หลวงตาที่วัดป่าบัานตาก่อนจากนั้นก็เลยนัดหมอ ทั้งหมอศิริราชหมอศิริราชจะขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็นัดหมอที่ศรีนครินหมอศรีนครินไม่รู้จักยังไม่รู้จักว่าหลวงตาป่วยนะหลวงพ่อก็ได้นัดหมอศรีนครินมาหารือกันในขณะนั้น่ะจากนั้นก็บอกโทรมาทางหมอพออโรงพยาบาลศูนย์อุดรจะให้มาพร้อมกันนัดไปชุมกันก็วันที่สิบห้า น, ะนัดไปชุมกันตอนบ่ายประมาณบ่ายสี่โมง คณะแพทย์ทั้งศิริราชทั้งศูนย์อุดรทั้งขอนแก่นและก็หมอทั้งกเกษียณอายุด้วยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาและก็สมัครที่เป็นหมอเข้ามาร่วมปรึกษาปารัรบกันวันนั้นหลวงพ่อว่าทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลประมาณสาสกว่าหมอ3ามกคนนั่งเต็มศาลาเล็กๆที่ที่หลังศาลาวัดป่าบันตาดหลวงพ่อก็ได้ซักไซไล่เรียง ว่าหลวงตาป่วยมาเมื่ อ, อไรก็คอยภาพพระที่อุปถัมภ์ประทักองค์หลวงตานะมาชี้แจงมารายงานให้คณะแพทย์ฟังดูซิหลวงพ่อก็ให้พระท่านรายงานพระท่านก็รายงานการเจ็บป่วยของหลวงตาจากนั้นก็หลวงพ่อก็ให้ผอโรงพยาบาลศูนย์อุดร กล่าวที่ว่าที่มาวัดทุกวันดูอาการของหลวงตาเป็นยังไงที่พระท่านรายงานแนละ้วก็ให้พออชี้แจงอีกทีหนึ่งคณะแพทย์อุรอนได้ใช้ยาอะไรบ้างกับองค์หลวงตาจากนั้นก็ให้ผู้ที่ลงมือปฏิบัติถวายยาองค์หลวงตาถวายเภศัชหลวงตานะี่ยชี้แจงอีกว่าได้ใช้ยาอะไรไปบ้าง จากนั้นก็ได้ถามหมอทางศีนิครินสีนิครินเคยปฏิบัติเคยรักษาองค์หลวงตามาตะเก่าก่อน่ะบางทีอาจจะมีเชื้อโรคเรือว่าโรคภัยไข้เจ็บของดวงตาที่เป็นมาเก่าก่อนอาจจะประทุ ข, ขึ้นมาในช่วงนี้ก็ได้ให้ชี้แจงหน่อซิว่าเคยรักษาอย่างไรกับองค์หลวงตามาก่อน่ะอันนี้เขากดไลน์า ย, ยาวเลยใช่ไจากนั้นก็ให้ทาง อาจารย์หมอทางศีริราชที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งทางเดินอาหารลำไส้เป็นผู้สรุปในการรักษาเป็นที่พอใจกับทุกหมอไหมทุกคนไหมที่ฟังจากนั้นก็เลยพูดกันปรึกษาปรรพกันย า, ยาวนานพอสมควรก็เป็นอันว่าจะต้องรักษาอันดับแรกกันเขาสรุปว่าอยากจะให้หลงตาไป สแกนเอ็กซาเลคอมพิวเตอร์ ray, Computer, ที่ทันสมัยที่เอกอุดร อ, อันดับต่อมาหลวงพ่อก็าเลยบอกจะนิมนต์องค์หลวงตาไปเขาโรงพยาบาลเอกอุดรแล้วว่าไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะหลวงตาไม่สนใจได้โรงพยาบาลไม่ควรอนนั้ตัดประเด็นออกไปก่อนแต่ละรักษากขั้นต่อไปทําไงเขาก็บอกว่าควรงดอาหารงดน้ําทั้งหมด งดน้ดํางดอาหารนี่ยเพูดง่ายนะแต่ว่ารรุศิษย์ลูกหาลงตาเนี่เยอะคนบางคนก็จะหวังทําไมขนาดลงตาป่วยขนาดนี้ยังให้งดน้ำํำงดอาหารเนะี่ยหมอรักษาแบบไหนเนี่ยหมอต้องให้คําชี้แจงกับประชาชนนะรักษายัางไงขั้นตอนทําไมจึงงดอาหารทำไมยังงดน้ํนาทางคณะบดีโรงพยาบาลศรีนครินท่าน เสนอขึ้นมาควรจะชี้แจงสรุปแล้วก็คือมีทั้งคณะทั้งคณะบอดีทั้งพออโรงพยาบาลศรีนครินทั้งพอโรงพยาบาลสุนุนออาานดอที่ว่าจะรักษาองค์หลวงตาในรู้สึกว่าคณะแพทย์นี่พร้อมเพียงสามาคัครีเป็นที่อบอุ่นที่หลวงพ่อได้เห็นวันที่สิบผ้าจากนั้นหลวงพอ่อพอประชุมเสร็จหลวงพ่อก็กลับมาถึงวัดหลวงพ่อก็สองสามทุ่มเหมือนกันวันนั้น พอพุ่งนี่เช้าพอฉันยังหันเสร็จหลวงพ่อก็ได้ออกเดินทางวันทนะี่สิบหกนี่ยเข้าไปบ้านตาดนั่นไปนอนอยู่ที่บ้านตาดยังกลับมาเมื่อคืนนี่วันที่สิบเก้าสามคืนกลับมาถึงวัดเกือบสองทุ่มเกือบสามทุ่มเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็ไปเฝ้าอง์หลวงตาดูอาการเจ็บไข้ได้ป่วยพร้อมกับคณะแพทย์คณะลูกศิษย์ ฝ่ายพระทางฝ่ายครวาสไปเห็นแล้วก็อบปุ่นเหมือนกันนะ่ะต่างคนก็ต่างพร้อมเพียงสา ม, มัคคีกันมีอะไรก็ช่วยเหลือเจือจูนกันคําว่าทางด้านวัตถุเนี่ยหายห่วงได้พอพูดไปทางไหนเนี่ยแปลว่าหลังไหลมาเล ย, ยงั้นะเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาหลวงพ่อกับพูดกับคณะแพทย์คณะทุกฝ่ายทุกมูลเหล่า องหลวงตาเป็นยังไงเกือ้อกูลหนุนประเทศชาติหาทองคําเข้าคลังคลังหลวงเน่ยเป็นหมื่นกว่ากิโลสิบสองตันตันหนึ่งกัพันกิโลสิบสองตันกว่าจะหาได้ที่ไหนทองคําเหล่านั้นเป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติของคนทั้งชาติไม่ว่าอยู่ในชนบทจังหวัดไหนแปลว่ามีความ ร่วมกันในทองคำนั้นจากนั้นหลวงตาได้ช่วยโรงพยาบาลช่วยสงเคราะห์ประเทศชาติทางด้านวัตถุเนี่ยมากมายขนาดไหนเพราะนั้นทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ควรจะให้ก็บ่าขอร้องเดี๋มาให้ให้ขอให้มาช่วยไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นทุกคนที่มีความสามารถจุดไหนก็ควรจะยื่นมือเข้ามาแสดงความเคารพรัก เกือ้อกุนด้ว่าช่วยเหลือองค์หลวงตาอย่างสุดความสามารถอย่างนั้นไม่จริงจะถูกแสดงว่าเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านองค์หลวงตาที่เป็นบุพภคารีบุคคลบุคคลผู้มีอุปการะก่อนท่านมีเป็นผู้มีอุปการะก่อนที่ช่วยเหลือพวกเราพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูอย่างไรกับองค์หลวงตาเนี่ยหลวงพ่อจะไม่บรรยายมากกว่านี้ ให้ทุกคนทุกคนให้รู้จักหน้าที่ของตนเองที่จะมาช่วยองค์ลงตาอย่างไรเพราะนั้นดูดูแล้วก็หมอตั้งแต่วันที่สิบหกวันที่สิบหกพฤจิการนหะ้าสามประชุมกันวาแล้สองครั้งแปดนาฬิกาเนี่ยับประชุมกันว่ า, ค, า, า, วาคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงอาการหลงตาให้ยาอะไรไปบ้างมีอาเจียนกี่ครั้งถ่ายกี่ครั้งนอนหลับดีไหมลักษณะยางน้น สิบหนาฬิกากวันนี้เป็นยังไงทั้งวันอาการลงตาเป็นยังไงจะเปลี่ยนยาตัวไหนแม่ว่าหมอเนี่ยให้ความสนใจทั้งศสีสราษทั้งอุดรทั้งศรีนักครินประชุมหาลือกันเป็นระยะระยะเห็นแล้วก็เอออบุนใจแต่เมื่อวานนี้ก็เอามาปรึกษาหลวงพ่ออีกเหมือนกันว่าจะนหมนง่งลงตาไปสแกน สายเอ็กเลคอมพิวเตอร์เพียงสิบนาทีแลยจะกลับมาอย่างมากไปถึงห้านาทีเสร็จเลยก็พร้อมกันไปกราบราธนาหลวงตาไม่ไปหลวงตาแสดงความเด็ดเดี่ยวนะอายุขนาดเก้าสิบแปดปีแล้วหลวงต า, วาไม่ไปไม่ไปพวกแพทย์หมอทั้งพระนะ่ก็ต้องเชื่อในความคามรบของท่าน สรุปแล้วคือพวกแพทย์ก็ดีทั่งฝอยพระสงฆ์ก็ดีจะทำอะไรกับองค์หลวงตาเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนจะไม่ได้ทำแบบละลับละล้วงไม่ได้ทำแบบเอาใจตัวเองหมอมีความเห็นอย่างนี้ก็ต้องทำอย่างนี้ตามตรักวิชาแพทย์ไม่ใช่ต้องขออนุญาตองค์หลวงตาก่อนเมื่อหลวงตาให้ทำไปแล้วในสิ่งจุดนั้นจากนั้นคณะแพทย์ก็ต้อง เอาขันดอกไม้หรือว่าคารวะองค์หลวงตาอย่าให้ได้เป็นบาปเป็นกรรมหลวงพ่อเห็นแล้วก็อื้อซึ้งในจิตใจพ่อทุกหมู่ทุกเหล่าทําด้วยความจงรักเลือกทําด้วยความรักเคารพองค์หลวงตาจริงๆเมื่องานเห็นแล้วถึงในใจว่าง้นพ่อทําจุดนี้ที่ท่านอนุญาตแล้วก็แพทย์หมอก็เอาคารวะองค์หลวงตาก่อนที่จะกราบลาไปประจำํำนาทีแต่ส่วนหมอ อยู่ที่นั่นหมอกับพยาบาลพยาบาลนสองในสามคนหมอกับเฝ้าอยู่ตลอดนั่นแหละอาการของโรคองตาเป็นยังไงคือลงตานี่ยมีน้ําอยู่ในท้องไม่รู้จะออกอยังไงเวลาอาหารทานอาหารเข้าไปฉันอาหารเข้าไปตกถึงท้องอาเจียนออกมาตกถึงท้องอาเจียนออกมาตั้งแต่วันที่สิบห้าฉันอาหารไม่ได้ แต่นี้ก็หมอทั้งหลายเขาก็บอกว่าน่าจะใช้สายเข้าไปดูดออกแต่นี้เ็าพยายามให้ท่านสอดสายเข้าไปเพื่อจะดูดน้ำออกจากกระเพาะพอเข้าไปมันถึงคอมันก็ลักไขเคืองหนงเอาสอดไม่ได้ต้องถอดผลที่สุดวันที่สิบแปดหมอจากศิริราชอาจารย์หมอเป็นศาสตราจารย์เหมือนกันอะมาจากศิริราชมา เ, เป็นลูกศิษย์เก่าแก่ขององค์ลงตายต่างหากมาก็ขออนุญาต สอดสายยางตรงตากให้อนุญาตพอสอดเข้าไปก็แบบทำอย่ากเร็วๆเลยงั้น ท, ท่านทำแต่ท่านชำนาญเนี่ยทำนานมาในเรื่องนี้พอแรงแนละ้วใส่รู้จักวิธีจังหวะก็จะสอดเข้าไปได้จริงๆพอสอดเข้าไปแล้วก็ ด, ดูดน้ําออกมาเป็นน้ําเขียวนะนะ้าเหมือนกับน้ําดีนะั่นคือน้ําดีออกมาย่อยอาหารมันเต็มในกระเพาะดูดออกมา ได้เอามาตวงแล้วได้เก้าร้อยเกือบพันซีซีอยูงั้นเถอะเกือบขวดเล็ดเนะี่ยเกือบเต็มแล้วคนระับน้ำเขียวเห็นแล้วโอ้จากนั้นมาลงตาก็สบายขึ้นมาทันทีนะสบายทุกอย่างสบายจากนั้นในเย็นนั้นท่านก็ออกมาข้างนอกได้นะออกมาหน้าวัดว่างั้นน่ะนั่งรถก๊อปมาเ น, นี่ยนายลงตาถ้าพอสบ า, ายท่านออกมาแลวนะท่านไม่นอนกับเสือกกับหมอนนะ แต่เมื่อวานนั้นก็นออกมาอีกเหมือนกันแต่ก็ยังมีสายอยู่เพราะเหตุว่าน้ำในกระเพาะมันยังออกทลักออกมาอยู่แต่ก็ไม่มากแต่ก็ออกอยู่หมอเขาเลยคาสายเอาไว้นี่แหละแต่เขาก็หมอทั้งหลายที่จะไปนิมนต์องค์หลวงตาไปเอ็กเสเลคอมพิวเตอร์นะก็คืออยากจะหาต้นเหตุว่าสาเหตุที่อาหารไม่ย่อยหรือว่าน้ำคลั่งในกระเพาะนี่ เป็นมาเพราะอะไรสาเหตุอะไรเขาอยากจะหาต้นเหตุในเมื่อรู้ว่าต้นเหตุเป็นอย่างไรแล้วจะทำอย่างไรต่อถ้าว่าไม่หนักหนาเขคงจะถวายยาท่านให้ท่านชันยาแต่ก็คิดว่าพระสิทธิ์ทั้งหลายเขาคงจะไม่ถึงกับผ่าตัดหลอกอายุองค์หลวงตาถึงขนาดนี้จึงจะไม่ขอถึงขนาดนั้นมืองงนกนะก็ได้พูดพูดกันไว้อยู่แต่ว่าอยากจะหาต้นตอเมื่อเห็นต้นตอแล้วจะทำอย่างไง ถ้าต้นตอนแล้วก็เราจะแก้ไขถ้ามันหนักหนาเกินไปเราก็จะทำความเข้าใจกับบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายหลวงตาเป็นอย่างนี้อย่างงี้นะทำยังไงปรึกษากันเนี่ยเมื่อวานหลวงพ่อเห็นอาการของท่านดีขึ้นน้อยหนึ่งหลวงพ่อเออเป็นห่วงวัดเหมือนกันก่อนไปก็ไม่ได้สั่งเสียอะไรอีกอย่างหนึ่งก็จะมีการมอบอาคารเรียนวันที่ยี่สิบสองที่จะถึงนะ่ ที่อาคารเหรียญบันกล้องคณะผู้สร้างก็จะมาพักที่วัดของเราอีกหลวงพ่อก็เลยเออกับพอดีกับท่านที่เป็นรุ่นน้องของหลวงพ่อเนี่ยเข้ามาพอดีเออช่วยดูองค์หลวงตาได้อสรุปแล้วก็คือผัดเปลี่ยนไม้กันนะะส่งไม้ให้กันหลวงพ่อก็ส่งไม้เนาะดูแลเด้แต่ผมกลับไปวัดแต่กับผมก็จะฟังเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน หลังจากนั้นผมจะเ ข, เข้ามาเมื่อมีปัญหาหรือว่าจบภาระของผมแล้วถ้าไม่มีปัญหาจะจบภาระผมผมจะเข้ามาอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นสิทธญานุสิ์ทุกองค์ไม่ได้ถือว่าคนนั่นคนที่อยู่ใกล้อยู่ไกลถือว่าเนี่ยเป็นสิทธิทุกองค์แต่วันที่เมื่อหลวงพ่อไปวันที่สิบหกวันที่สิบเจ็ดหลวงพ่ อ, อ หลวงตาของเราป่วยมาได้สามวันไม่ได้ออกข่าวอะไรเลยมีแต่วันหลวงตาไม่ไม่ออกปฏิบัติศาสน ก, กิจออกตอนเช้าไม่ได้ไม่ได้ออกมาปฏิบัติศาสน ก, กิจท่านี้ลุกสิทธิ์ลุกหาทั่วประเทศทั่วโลกนะดูโทรทัศน์ของท่านทั้งอีเมลทั้งอินเ ท, อ, เท อ, เอร์เนต็ตก็ไม่เห็นหลวงตาเท่นะครับพกกังวลกันไปทุกหัวละแห่งเทหนะลวงพ่อก็ หลวงพ่อก็ไม่กล้าพูดหรอกพูดโทรทัศน์ใหญ่หลวงพ่อเอาไม้มาใช่พอไม้มาหลวงพ่อเออคณะท า, าญาติโยมลูกหลานที่มาวัดในวันนี้ก็คงอยากจะทราบว่าองค์หลวงตาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรในใจก็อยากจะรู้แต่ก็ไม่กล้าถามใครถามองค์นั้นถามคนนั้นถามคนนีน้ก็คงจะไม่ชัดเจนเพราะนั้นหลวงพ่ออยู่ในเหตุการณ์ตลอด ในขณะที่ท่านป่วยรู้เหตุการณ์มาพอสมควรเพราะฉะนั้นหลวงพ่อขอชี้แจงให้คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้รับทราบเดอ้อหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นจากนั้นก็พ่อกำลังจะพูดไปเขาก็เลยเอาเอาไมใหญ่เข้ามาทีนี่เอาไมใหญ่ออกจากสถานีวิทยุทั่วประเทศทั่วโลกแล้วงั้นเถฮะมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อโอ้เอาขนาดนี้เล้วเออเอาก็ได้ไม่เป็นไรหลวงพ่อก็เลย บอกเออเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อได้พูดชี้แจงไปเพื่อให้คณะสิทธิ์ที่มาวัดรับทราบแต่วันนี้ออกดังไปหลายๆทั่วประเทศแล้วนะคือหลวงพ่อเองอยากจะให้คณะสิทธิ์ญาติศิษย์มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันหันหน้าเข้าหากันรักกันเอาไว้ให้อยู่ในความสงบนิ่งสงบใจ สงบกายสงบวาจาคือให้ใจนิ่งซะก่อนการกระทําทางกายก็ให้ระวังระวังอย่าให้กระทบกระทจกระเทือนคนอื่นชวนวาจากอยาไปพูดกะแ น, นะกะแนหทําพูดให้คนอื่นเขาไม่สบายใจขณะนี้หลวงตาท่านป่วยถึงท่านจะไม่ได้ยินทางหูท่านไม่เห็นทางตาแต่ใจท่านรู้ว่าคณะสิทธิ์มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันอย่างไร เพราะนั้นให้พวกเราพร้อมเพียงสำมัคคีกันทุกๆคนนาลูกศิษย์ลวงตาลูกหลานลงตาทุกคนนะและก็พร้อมกันก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจว่าด้วยบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้ทำมาในอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันจนถึงขณะนี้บุญกุศลมากน้อยขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุน สุขภาพองค์หลวงตาให้หายจากโรคภัยพยาโรคขาตพยาโรคาทั้งหลายขอให้หายจากสุขภาพหลวงตาขอให้หลวงตาเป็นร่มโพลมไสของพวกเรานานเท่านา น, านด้วยเทินให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้คิดขึ้นมาได้มาเลยให้ตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งไม่ใช่วค่ครั้งเดียวเท่านี้นะนัน่นแหะเป็นพลังเพื่อรักษาสุขภาพทางไหนจริงจะถูกต้อง หลวงตาจะได้หายด้วยพลังใจของพวกลูกหลานทุกๆคนและก็พร้อมกันหลวงพ่อเองเขาขอเตือนคณะสิทธิ์ของหลวงตามีมากทั่วประเทศทั่วโลกอาจจะมีความเห็น แ, กแตกต่างกันคนหนึ่งก็ว่าอืหลวงตาป่วยหลวงตาของเราป่วยเราควรจะรักษาเต็มที่แพทย์เท่าไรหมอเท่าไร เอารักษาเลยถ้าหลวงตาเป็นอยู่วันหนึ่งก็เป็นร่มโพร่มไทของพวกเราเป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเราได้พบได้เจอได้เห็นสัมมนานั้นจัดทัศนังเป็นมงคลอันสูงสุดได้เห็นสมณะผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบอย่างองหลวงตาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรารักษาเต็มที่อันนี้ก็คือคนกลุ่มหนึ่งอันนี้หลวงพ่อวิตกนะวิตกในอนาคตแล้วก็กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเออทําไมจึง ไม่รักษาปฏิปทาของหลวงตาทำไมอ่อนปวกเปียกทำไมให้เขาเจาะเขาใส่ที่ถุตงตตรงนั่นตรงนี้รักษาอย่างนี้หลวงตาเคยเทศเคยพูดไปแล้วความเด็ดเดี่ยวของหลวงตาไม่มีเลยเหรอทำไมพระครูบาอาจารย์กลุ่มนี้ทำไมอ่อนปวกเปียกอย่างนี้ทำไมให้หมอให้แพทย์เขาทำอย่างนี้จนเสียปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หมดอันนี้คนลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งที่อนุรักษ์นิยมก็จะพูดอย่างนี้ เพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยอยากจะให้สองกลุ่มหันหน้าขา้ากันปรึกษาปารรบกันว่าเราจะรักษาสุขภาพหลวงตาขนาดไหนเราจะรักษาปฏิปทาของพ่อแม่กูบายจานหลวงองหลวงตาขนาดไหนเนี่ยอยากจะให้พวกเราหันหน้าขาหากันถ้าว่าพวกเราหันหลังพูดกันเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะคนที่รักษาสุขภาพหลวงตาก็บอกว่าเนี่ยต้องรักษาสุขภาพหลวงตาหลวงตาเป็นอยู่วันหนึ่งก็ เป็นบุญคุณต่อโลกต่อประเทศชาติต่อพวกเราอย่างมากแต่กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่รักษาปฏิปทารักษาสุขภาพของท่านเสียปฏิปทาหมดแต่พวกนี้ก็จะบอกไปพวกนั้นเอถ้าอย่างงั้นถ้าไม่รักษาสุขภาพหลวงตาเนะี่ยแสดงว่าอยากจะให้หลวงตาทิ้งขันเร็วๆใช่ไหมพวกนี้ก็จะโยนไปหาพวกนั้นพวกนั้นก็บอกอา้าวถ้าอย่างงั้นก็ ปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านทั้งหลายแสดงว่าไม่มีคุณธรรมในใจเลยใช่ไหมไม่รักษาปฏิปทาความเด็ดเดี๋ยวไม่มีเลยทำในใจไม่มีเลยเอาแต่โลกอย่างนั้นใช่ไหมนี่แหละลูกศิษย์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมีปัญหากันนะหลวงพ่อขอบอกในวันนี้หลวงพ่อพูดวันที่สิบเจ็ดพฤิกาห้าสามพูดในสถานีวิทยุออกไปไกลเลยเอย่างนั้นน เพราะนั้นถ้าหำว่าพวกเราหันหน้าก็หากันมัชฌิ ม, มาปฏิปทาคือเดินสายกลางเราจะรักษาองค์หลวงตาขนาดไหนแล้วก็เราจะรักษาปฏิปทาองค์หลวงตาขนาดไหนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราสิทธิ์จะต้องปรึกษากันไม่ใช่ว่าพูดไปคนละทิตย์คนละทางเอาดีเขา้าในกลุ่มของตัวแล้วก็โยนความไม่ดีให้แก่กลุ่มอื่น มันไม่ถูกนะต้องคิดให้ดีนะอันนี้ขอฝากไว้นะผมนะผมเองหลวงพ่อเองในนามคณะสิทธิ์ของหลวงตาองค์หนึ่งท่านหนึ่งแล้วก็ฝากให้เป็นความคิดแก่คณะสิทธิ์ทุกๆท่านที่เป็นสิทธ์หลวงตาถ้าพวกเราหันหลังพูดกันแล้วพวกเราจะเสียใจเมื่อภายหลังเสียใจอะไรพวกนั้นก็บอกว่าทำไมไม่รักษาสุขภาพลวงตาคนหนึ่งก็ทำไมไม่รักษาปฏิปทาของหลวงตา ทั้งสองฝ่ายพวกเราจะเสียใจเสียใจเมื่อภายหลังถ้าพวกเราไม่หันหน้าเข้าหากันถ้าพวกเราหันหน้าเข้าหากันแล้วพวกเราจะรู้วิธีการเดินความเหมาะสมและความถูกต้องขนาดไหนนี่แหละหลวงพ่อก็ได้พูดในวันวันนั้นคือสรุปแล้วก็คือเป็นแนวความคิดสำหรับคณะสิทธิ์สรุปแล้วก็คือให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันในหมู่ในคณะทั้งคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหมอทั้งพระสงฆ์ คือไม่ไม่ใช่ว่าอยู่นอกเวทีกับพูดอีกแบบหนึง่งพร อ, อยู่ในเวทีก็หุบปากเอาไว้ไม่พูดอย่างนั้นแปลว่าแทงหลังหมูพวกเพื่อนไม่เป็นผู้หวังดีพูดพลอยๆพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นอย่างนั้นแปลว่าครบไม่ได้พูดรื่องนั้นได้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือแนวทาง ที่รักษาองค์หลวงตาหลวงตาเป็นผู้รู้จักเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลานทุกคนเพราะนั้นการที่จะทําอะไรก่อนคิดอะไรพูดอะไรต้องระวียงต้องระวังต้องรักษาแนวทางของท่านเอาไว้เคารพนับถือปฏิบัติตามคําสอนของท่านก่อนที่จะทําอะไรต้องขออนุญาตท่านก่อนอย่าไปทําแบบละลาบ ล, ละล้วงทางว่าสิ่งไหนก็ตาม ก่อนที่เราจะขอเราก็ต้องคิดะก่อนว่าเหมาะสมไหมถูกต้องไหมขนาดนี้ถือว่าเกินไปถ้ามันเกินไปเราก็อยากขอท่านเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกินไปต้องปรึกษากันก่อนก่อนที่จะขอจากท่านไม่ใช่ว่าคิดได้คิดขออย่างนั้นมันก็ไม่เป็นธรรมสำหรับสิทธิ์เหมือนกันสิทธ์ทุกคนก็ได้รับการศึกษาดีโดยการทุกคนทั้งหมอศาสตราจารย์หมอ ทังฝ่ายลูกศิษย์ฝ่ายคณะสัตยาธยาโยมก่อเป็นด็อกเตอร์ปริญญาตรีโทเอกทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก่อผ่านทางโลกมามากพอสมควรเข้ามาบวชก็รู้จากดีรู้จักชั่วด้วยกันทั้งนั้นขอให้เอาทำโลกเอาหลักเหตุผลหรือเอาความรู้ทั้งหลายเนะี่ยคือความเป็นธรรมเข้ามาหากันเป็นพผลึกให้เป็นหนึ่งเดียวจากนั้นเมื่อเราเป็นธรรมแล้วเรามองอะไร ด้วยเหตุด้วยผลแต่พูดทางนี้ก็พูดง่ายนะทุงพ่อพูดทานี้ก็พูดง่ายแต่พอไปเจอเข้าไปเราโหนขนาดหมอก็ยังก่อที่จะรักษาอะไรเข้ามาเด่กก็ถกเถียงกันขำเครียดเหมือนกันหมืนกะันแต่เพราะว่าคือสรุปแล้วก็คือหลักเหตุผลใครเหตุผลรับเรานั่นแหะแต่ผลในสุดก็ลงเอื่ยกันได้เหมือนกันแพอลงเอื่อยกันเราเราจะรักษายัางไง นี้ก็เหมือนกันนะทุกอย่างเราก็ควรจะหันหน้าขวากันแล้วก็วันต่อมาหลวงพ่อก็เห็นคนเข้ามามากเลยนี่เขาคนเข้ามามากเออทํำยังไงอาหารการบริโภคทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งหมอทั้งเจ้าหน้าที่รักษาเวรยามไม่ให้คู่คนเข้าไปเกี่ยวข้องเขาอยู่เขากินยังไงฮะเนี่ยหลวงพ่อเคยเป็นสมภารวัดอย่างเนี้ยลงมาแล้วลูกหลานกินข้าวได้ยัง กินที่ไหนเอาอาหารให้นะหลวงพ่อก็จะต้องดูอันนี้หลวงพ่อไปเที่ยวหลวงพ่อก็คิดอีกเหมือนกันเอ้ยอาหารเขากินอย่างไงวะก็จะถามถามพระอู้หนักอยู่นะหลวงพ่อเพราะว่าจะมีคนกลุ่มได้ทาอาหารเออหลวงพ่อก็เลยบอกอืมคณะทัตไทาญาติโยมลูกหลานลงตาเด้อลงตามีน้ําใจลงตามีเมตตาต่อคู่ขนทุกหมู่เหล่าเพราะนั้นพวกเราขณะนี้ลงตา ก, กับอย่างที่พวกเรารู้เห็นนี่แหละ คนเข้ามาเกี่ยวข้องกับพอสมควรถ้าคณะสิทธิ์บางกลุ่มก็ลงขันกันลงขันกันตั้งโรงอาหารโรงทานเลี้ยงขู่เลี้ยงคนสักหน่อยก็ดีมัน ก, กันมั่งเผื่อใครมาผูกปฏิบัติงานบางทีก็มาแต่เช้าไม่ได้กินอาหารมาแล้วไม่ได้กินอาหารคนเราจะออกไปกินที่ไหนถ้ามีโรงทานเข้ามากับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคงจะได้มั่งหรื อ, อยังไงก็ชุดแท้แต่เนี่คณะสัตยาญาติโยมหลกหลานนะี แต่สำหรับหลวงพอ่อหลวงพ่อกระชันมื้อเดียวตอนเช้าแล้วก็จบก็เป็นห่วงลูกห่วงหลานนั่นอ่ะช่วยช่วยกันคิดเนาะจากนั้นก็พอพูดป๊บมีคนแสดงว่าสีไทยม่ว่าประมาณสิบโมงจะเอาโรงทานเข้ามานี่ยพอได้ยินเสียงวิทยุหลวงพ่อออกไปจากนั้นก็มีโรงทานสีห้าโรงมั้ง้ามาประจําทําโรงทานเลี้ยงแขกคนที่มาแต่ขณะนั้นก็ยังมีคนท่วงติ่งเข้ามาเหมือนกันน่ะ ทำไมหลวงพ่ออินจึงให้คนตั้งโรงทานทําให้ยุ่งเหยิงบุบวายฮสรุปแล้วก็คือผู้ที่อยู่ไกลเนี่ยผู้ที่ไม่ได้อยู่หน้างานน่ยอยู่ทางกรุงเทพเนี่ยหลับตาแล้วก็มาพูดขึ้นมาเนี่ยถ้าอยู่หน้างานน่ยจะตําหนิได้อย่างนั้นไม่ได้เพราะหน้างานมันเป็นยังไงเพราะคนทีามาเกี่ยวข้องมันเห็นเห็นกันอยู่นะจะทํำยังไงพวกที่อยู่หลังงานเน่ยทั้งที่ไม่ได้จ่ายเงินค่าโรงทานเลย ยังปล่อยโทรศัพท์ออกมาจากอีเมลเข้ามาอีกต่างหากนะหลวงพ่อเห็นแล้วก็เออนี่แหละความคิดความเห็นนี่แปลกแตกต่างกันนาน า, นาจิตตังนานาทัศนะแท้แ ท, ท้แต่หลวงพ่อก็ไม่มีอะไรเพียงแต่บอกกล่าวผู้ที่จะทำเอาคิดดูซิที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมีเหตุผลไหมถ้ามีเหตุผลแล้วก็ทำจ ช, ช่วยกันทําเพื่อแล้งแขกคู่คนลกูกหลานที่มาเกี่ยวข้องก็ไม่ใช่อื่นไกลกับพวกเรานั่นแหละ ได้มาแล้วกิได้กินข้าวกินน้ําพอมันหิวทําให้หิวเนี่ยจะไปกินทําไมไวย์มันหิวเรอเอามีอาหารกินก็ดีนี่แหละหลวงพ่อก็ได้ให้แนวความคิดที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นในวันนี้เพราะอะไรเกิดเป็นแนวทางสําหรับพวกเราจะไม่ใช่ว่าเออต่อไปจะต้องปฏิบัติกับหลงพ่ออ ย, อย่างที่หลวงพ่อพูดนะอย่าคิดหลวงพ่อเนี่ตั้งความในใจไว้แล้วหลวงพ่อบอกว่า ถ้าหลวงพ่อจะตายให้หลวงพ่อตายเร็วๆน่นให้หายใจขาดปอกไปเลยหลวงพ่อจะไม่จะไม่จะไม่หายใจยาวกันนะจะไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ใดเพราะถ้าหมดอายุไขและหน้านั่นแหละไปเลยแต่นี้ของหลวงตาในะท่านมีบุญบา ร, รมีพวกเราได้การาบเรวายได้ปณิบัติท่านหน่อยนึงก็เป็นบุญกุศลมหาศาลเนี่ยเป็นคลังสมบัติอันยิ่งใหญ่ หลวงตาเป็นผู้ปฏิบัติหมดจดจากอาสวะกิเลสแล้วพูดง่ายๆถ้าใครไปคิดเพียงแต่คิดท่านั้นก็ยังเป็นบาปไม่ต้องทําไม่ต้องพูดแต่ถ้าว่าคิดไปในกุศลเป็นบุญแล้วทําลงไปก็ยิ่ยงเป็นบุญการพูดที่เกี่ยวข้องกับด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์เป็นบุญอีกเพราะทํากับผู้บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นการคิดก็ดีการทําก็ดีการพูดก็ดีในทางที่ไม่ถูกต้องระวัง เหมือนกับเข้าใกล้อสรพิษนะถ้าว่าเราทำสิ่งที่คิดก็ดีทำก็ดีพูดก็ดีเข้าไปสู่ใกล้พูดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีแต่มักแต่ผลนะในวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับคณะสัต ย, ยาธิยมูกหลานพระเนเนเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาต่อนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร